ข้อความในคุตตานิกายติพุตตะนะครับรำมาสูตรว่าด้วยวิชาสาประการ น, นะครับในข้อสองนะครับว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพราหม์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามคําที่เขากล่าวไว้แล้ว ดูกรพิสูจนทั้งหลายก็เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพรามโดยธรรมเราย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพรามโดยเหตุเพียงการกล่าวตามคำที่กล่าวไว้แล้วถามว่าเป็นอย่างไรดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากนะครับคือระลึกชาติหนึ่งบ้าง2ชาติสามชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง ละเลือกได้10บชาติ20สชาติสาสบชาติสี่ชาติห้ชาติบ้างละเลิกได้ร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างนะครับตลอดสังวะตะวิวัตตะกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตะกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังนวะัตกับเป็นอันมากบ้างนะก็ละเลิกว่าในภพนู้นเนี่ยนะเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นโคดก็คือนามสกุลนัล่นแหละนะ มีผิวพรรอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสรษยสุขเสรษฐุทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกาหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเนี่ยเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นได้เสรยสุขเสรยุทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกาหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการนี้ภิกษุนั้นได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้แล้วกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วนะครับกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียว ผู้ที่จะเลึกชาติได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ไม่ปราศจากสติและสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความเพียรบากบันในการเจริญสมถะแล้วก็มีจิตใจเนี่ยส่งไปส่งไปตามในสมถะกรรมฐานเหล่านั้นๆนะครับเพราะว่าผู้ที่จะเลึกชาติได้อย่างนี้เนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปนั้นจะต้องได้ระดับเนวสัญญาณสัญญายตนะก่อนนะครับ แล้วก็เอาเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเนี่ยเป็นบาทนะครับแล้วก็ค่อยๆหมันระลึกนะครับค่อยๆถ้าเป็นอธิกรรมิกระบุคคนก็จะเริ่มหัดระลึกนะค่อยๆระลึกสมมุติว่าอย่างตอนนี้บ่ายก็ระลึกกต่เริ่มระลึกไปหาเชา้าว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปมีอะไรมาบ้างนะครับก็ระลึกถอยไปอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าหากว่าฟุ้งก็เข้าฌานใหม่นะครับเอาฌานใหม่แล้วก็ตั้งอภิญญาใหม่ก็ระลึกหัดฝึกไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อยาา ก, ก็สามารถระลึกชาติได้นะครับ โดยที่มีเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเนี่ยเป็นเป็นฉาเป็นฐานเป็นบาทแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วนะครับโดยพฤติกรรมกายกรรมในเฉพาะในพบนี้เนี่ยนะครับการระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดเนี่ยนะก็เป็นกิจของสติอย่างหนึ่งผู้ที่จะรักษาศีลได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีสติอย่างที่ว่านี้นะครับคือถึงไม่ได้ชัดเจนเท่ากับภิญญาแต่อย่างน้อยที่สุดก็สา ม, มารถระลึกได้นะครับ หรือว่าถ้าจะชําระศีลให้บริบูรณ์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดจะไม่มาปรากฏให้รู้นะครับเคยไปเกี่ยวข้องกับใครเคยไปคลุกคลีกับใครเคยอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่งนะครับจะระลึกได้หมดเลยนะครับจะมาทําให้เราระลึกอยู่ๆเนี่ยแวบมาหมดนะครับนะเพลงเคยไปร้องที่ไหนเคยไปเที่ยวกับใครเคยพูดกับใครอย่างไรเนี่ยนะครับมาหมดเลยคล้ายๆกับ พระองค์คุลิมาล น, นะครับพระองค์คุลิมาลเนี่ยหลังจากที่ท่านบวชเข้ามาแล้วนะบวชเข้ามาแล้วท่านก็มารักษาศีลเนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับไอภาพที่ท่านไปฆ่าเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเลย น, นะจะมาทําเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่าน น, นะนะดีว่าก็ศึกษาเมตตากรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคองค์ก็สอนให้เจริญเมตตานะครับไอวิปัิสานทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงค่อยๆหายไปแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปนะครับยิ่งผู้ที่มีความผิดพลาดในชีวิตเนื่องจาก ความประมาทในปางก่อนนะครับเนื่องจากคบกับป่าประมิตรทั้งร้ายเนี่ยนะอันเวลามาศึกษาธรรมวินัยนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นเหตุให้เร่าร้อนนะครับเพราะพฤติกรรมคําพูดทั้งร้ายแลที่ไปทําอย่างไรอย่างหนึ่งก็จะค่อยๆระลึกมาทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านั้นจะมาบันทอนกุศลเจตนานะครับในการศึกษาในการเรียนรู้ในการปฏิบัติตามธรรมวินัยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่มันอธิษฐานไม่มันสมาทานนะครับไม่พยายามตื่นภยัยตื่นตัวเห็นโทษของวัตตะเหล่านั้นก็ก็ยากเหมือนกันนะครับที่ที่จะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงได้ครับก็ที่เรียกว่านายที่เป็นสามเณรเนี่ยนะที่เป็นสา ม, มเณร น, นะครับในสังยุตตานิ迦 ก, กล่าวไว้นะผู้ที่อดีตก่อนบวชนี่มาเป็นนายพรานนะครับอันภาพที่เคยไปเป็นนายพรานเคยไปฆ่าสัตว์นะครับ พวกอะไรนะฟ้าทับเหวเนี่ยนะครับที่เคยทําบวงทําอะไรเอาไว้เนี่ยก็พวกเหล่านั้นจะมาปรากฏหมดเลยเออย่าว่าในพรานเลยนะครับพรานแบบที่ใหญ่ๆแบบนั้นเนี่ยนะพรานนล็กๆอ ย, อย่างผมยังระลึกได้นะนะครับผมจําได้นะว่าผมเคยไปยิงสัตว์ที่ไหนบ้างจําได้หมดนะครับสถานที่ท้องไร่ท้องนาที่ผมสมัยอยู่เป็นเด็กเนี่ยนะครับสมัยที่ตัวเล็กๆ เ, เนี่ยนะไปเดินอยู่ท้องไร่ท้องนาเพราะฉะนั้นภาพในบริเวณแถวหมู่บ้านผมนึกออกหมดเลย นะครับภาพเหล่านั้นจะมาหมดเลยนะครับทําให้ยูยูเนี่ยภาพเหมือนกับเหมือนกับว่าเราระลึกได้นะครับเหมือนเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเนี่ยนะนะจําได้หมดนะครับหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยบ้านใครอยู่ตรงไหนคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับอนาบริเวณทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเลยท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาทิศเหนือทิศใต้ตทิศ ต, ตะวันตกของหมู่บ้านเป็นยังไงที่นาเราอยู่ยังไง ตรงไหนเราเคยไปจับปลาจับกุ้งจับกบใส่เบ็ดอะไรเงี้ยเราจะมาทั้งหมดนะครับให้เห็นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความวิปปิสสารนะครับถ้าเราไม่หมั่นชําระนะถ้าไม่หมั่นชําระปล่อยจิตให้ฟุง้งก็จะไปไกลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเออทำให้เห็นว่าสังสารวัตรนี่มันมีโทษอย่างนั้นจริงๆจิตนะครับตอนที่อยู่ใน ท, ที่นั้นเนี่ยไม่ได้รับการอบรมอะไรเพราะฉะนั้นจิตประเภทนั้นส่วนใหญ่ก็อุทจักกัมเริบนะครับ มันเป็นปลายกาวิชาเป็นปลายกาอุทจนะครับทีนี้พอระเลิกได้ลักษณะนั้นแล้วก็จะได้ทําให้ละลึกถึงคุณของศีนมากขึ้นนะครับว่าโอ้ชีวิตของผู้ไม่มีศีนนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนั้นนะครับอาจารย์ใช้คาว่าถ้าเราไม่หมันชําระคําว่าชําระนี่ก็มันเคยผิดพลาดมาอย่างนั้นเราจะชําระยังไงนะทางออกก็คือการพิจารณาพระธรรมลงไปในสิ่งนั้นน น, นั่นเองนะครับเพราะนั่นคือโทษของการไม่มีธรรมไม่มีวินยัย นั่นคือโทษของวัตตะทั้งหลายนั่นนะเป็นโทษของทุจริตกรรมทั้งหลายนะครับนั่นโทษของการไม่คบกลัลยาณมิตรนั่นคือโทษของการครบปราปรมิตรนั่นคือโทษของวัตตะ น, นะครับแล้วก็พิจารณาทั้งงสิ่งเหล่านั้นลงโดยขันท่าอายตนะนะครับสงเคราะห์ลงกรรมบททั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมสงเคราะขันท่าอายตนะทั้งหมดนะครับพิจารณาไปในสิ่งนั้นถ้าพิจารณาในลักษณะนั้นบ่อยๆสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งวิปัิสารอีกต่อไปนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็เห็นนี่โทษของสังสารวัตนะนี่ภัยของวัฏตะนะนี่เพราะเราประมาทในปางก่อนนะจึงได้ไปประสบะกับสิ่งแบบนั้นเนี่ยนะครับจึงจึงได้เป็นในลักษณะนั้นเพราะกรรมไม่ใช่ผลของบุญนะทําให้เราได้ไปคบปาประมิทธปาประมิทธเชิญชวนเราในการทําบาปทําอกุศลเนี่ยก็เพราะโทษของสังสารวัตนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้คําสอนอย่างนี้แล้วถ้ายัางประมาทอีกก็ไม่ได้ไม่พ้นจากสภาพเดิมๆ นี่เราก็มาตรวจสอบอัธยาศัยของเราเดิมๆสิเมื่อสมัยนั้นเนี่ยนะเราเห็นปลาเนี่ยเรามีนึกใจมีใจกรุณากับเขาบ้างไหมเราก็ไม่มีเอออัธยาศัยแห่งเป็นไปอบายก็สะสมไว้นะเนี่ยนะเห็นสัตว์ทั้งหลายนึกกรุณานึกเมตตาเข้าไหมนะครับนึกจะให้ทานนี่มีกี่ครั้งปลาลบศีลเนี่ยนะโดยอัธยาศัยเออพิจารณาไปแล้วดูน้อยมากนะนะถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพอกพูนในการเจริญ กุศลธรรมของพระผู้มีพระภาคให้มากเนี่ยนะครับอัธยาศัยแบบนั้นก็สะสมไว้แล้วเพราะธรรมชาติของจิตก็สะสมสันดาลพอได้เหตุปัจจัยคล้ายคลึงกันมันก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนี่อย่าประมาทอย่าไปดูถูกความคิดนะมันก็เรียกว่าไอความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเสื่อมสาผลักไสาไปในวัตตะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะพ้นจากวัตตะทั้งหลายเหล่านี้นอกจาก ศึกษาของพระผู้มีพระภาคนะครับดังั้นการพิจารณาแบบนั้นก็จะทําให้เห็นคุณของของพระธรรมคําสอนทําให้ต้องภาคเพียรพยายามนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้มีการศึกษาในลักษณะนี้อีกไม่ใช่ของง่ายอีกแล้วนะครับแค่ฟังนี่ก็ไม่ง่ายนะครับนะจะกล่าวไปถึงเรื่องของการลเลลึกเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการตรึกเป็นต้นเนี่นะครับยิ่งมาในยุคนี้เหตุปัจจัยให้ไม่ต้องศึกษานี่มากม า, ม, ามากจริงๆนะครับ จะมีที่ไหนที่เขาจะผลักดันให้เราไปศึกษายากนะครับทั้งอัธยาศาัยภายในของเราก็ไม่เคยชอบอ่านอยู่แล้วนะบางคนเนี่ยนะก็ไม่ชอบอ่านไม่ชอบคนอยู่แล้วทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมในด้านนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยนะครับถ้าประมาทก็อย่างที่พระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทนะคนที่ประมาทก็คือคนที่ตายแล้วนะครับทีนี้ผมก็โดยส่วนตัวผมก็มาคิดลักษณะนี้แล้วเราจะทําบาปทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะครับ เพราะะถ้าหากว่าคนไทยที่ไม่ฝักฝ่ายในด้านนี้นะครับผมก็กากระบาดไว้ในความคิดเลยว่าเลิกครบเปล่านั่นนะตั้งความคิดแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็คิดอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเป็นเด็กๆยังไม่ทันบวชเนี่ยนะว่าเอ๊ะคนเหล่านี้ถ้าเขาจะไปอาบายนี่เ า, เาแล้วเราจะไปกับเขาด้วยไหมเนี่ยนะเราก็จะคิดแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วน ะ, ะผมก็นึกถึงไอปลาที่มันจะไปเข้าปากไซอะนะ ที่ใสทั้งหลายที่เขาใส่ดักปลานี่ก็คือใสที่เขาจะดักตรงที่น้ํามันไหลนะครับปลามจะขึ้นปลามจะลงแล้วเขาจะดักเอ้เรานี่มันจะถ้าเห็นปลาเยอะๆเนี่ยเป็นฝูงเขาเดินไปหาใสานี่นะคิดว่าว่ายเข้าไปในปากไซเนี่ยเราจะหนีหรือเราจะไปตามนะก็ชํานวนดูเราจะหนีตัวเดียวก็จะไปนเพราะงั้นขอให้หลุดก่อนก็ใช้ได้แล้วเพราะงั้นหลังจากนั้นก็ต้องภาคเพียรพยายามนะครับแต่ทีนี้ ก็มาไขาคุณหลายเรื่องว่าเออเรานี่บุญไม่มากนะครับอาจจะไปทําบาปบางอย่างไว้มัง้งจึงไม่ได้มีโอกาสได้ค้นคว้าศึกษาคําสอนที่มาตรฐานมาเลยนะครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ศึกษาคําสอนอย่างนั้นมาอ้มันนี้่มือรู้จําอะไรได้นักต่อนักแล้วออทีเดระฉานกรถาก็จําได้เล่าเป็นตูเป็นตาเป็นกุ้งเป็นแควไปหมดนี่ถ้าซ่องเสพคําสอนไว้คงจะได้ดีนะครับดังอันั้นมาก็เริ่มออตรวจสอบแม้กระทั่งเรื่องการเผยแพร่เรื่องอะไรทั้งหลายแลนี่นะครับอะไรถ้าดูไม่มาตรฐานก็ไม่ให้ใครนะครับ ทิ้งได้ก็ทิ้งไปเลยไม่เสียดายอะไรเลยนะครับเพื่อทําให้เห็นโทษของของวัตตะว่าเราอย่าได้ทําบาปทํากรรมให้ตัวเองอีกเลยนะครับผมว่าแค่ที่ทํามานี่ก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอที่จะเรียกว่าเจ็บปวดเต็มที่แนละ้วในวัตตะเนี่ยนะเพียงพอที่จะร้องไห้แนละ้วในวัตตะเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็่าได้ประมาทในเหตุทั้งหลายเหล่านีนะ้โอกาสที่จะได้ศึกษาแบบนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นถ้าเราหมัน่นตามและลึกถึงภูมิหลังบางอย่างของเราก็จะทําให้ ต้องภาคเพียรจริงๆนะครับเนี่ยนะโดยรูปร่างกายก็ห่างพระผู้มีพระภาคก็ต้องสองพันกว่าปีแล้วนะครับโดยสภาพความรู้สึกนึกคิดทางจิตวิญญาณเนี่ยนะทางจิตใจเนี่ยเอย๊จิตใจของเราวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปกับสิกขาของพระ อ, องค์อะไรบ้างนะครับเป็นไปกับศีลและสิกขาไหมเป็นไปกับจิตตสิกขาไหมเป็นไปกับปัญญาสิกขาไหมนะครับถ้าไม่ค่อยเป็นไปก็ต้องสลดสังเวชใจแล้วก็ภาคเพียรพยายามใหม่นะครับ ทีนี้คนโดยทั่วๆไปก็จะเอาคนที่ไม่ใช่อนุสติมาเป็นอุทาหอนนะครับก็จะเอานี่แหละครับเอาคนที่สังคมทั่วๆไปยอมรับแต่เราทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยเอาพาดหันเป็นอุทาหอนพระสารีบุตรท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรพระมหากัสสปะท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรท่านเหล่านี้เราไม่ค่อยเอามาเป็นอนุสติเพราะฉะนั้นก็เอาแต่คนพานนะครับคนที่ปล่อยกายปล่อยใจปล่อยชีวิตไหลไปวันๆหนึ่งเพลิดเพลินเหล่านั้นเป็นอุทาหรนสัดส่วนใหญ่ พอเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นเยี่ยงอย่างก็ทำให้เราอืดเราเฉือยชาไปด้วยไปหมดขาดความตื่นตัวนะครับถ้าหาว่าขาดความตื่นตัวแล้วก็ทำบาปทำกรรมให้ตัวเองอีกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สอนผิดแน่นอนกรรมมีผลจริงๆใครทำดีก็จะสมควรกับเจตนาเนั่แหละแล้วเจตนาก็เป็นของเฉพาะตัวด้วยนะครับเราเจตนาเป็นบาปจะบอกว่าไม่บาปก็ไม่ได้ มันก็คือบาปถึงจะกลบเกลือนนะครับกลบเกลือนในชั้นสารเป็นต้นแต่เจตนาก็คือเจตนาบุญบาปไม่ใช่มีใครมากดปุ่มมาชั้นจะให้ผลกระแกเวลา น, น, นั้นเวลานี้นะแล้วไปขออุทธร์หน่อยไม่มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะครับถ้าศึกษาระบบของปัจจัยยี่สิบสี่แล้วนะครับจะเห็นว่ากรรมมาปัจจัยนี้นับว่าเป็นปัจจัยที่น่ากลัวมากนะครับเพราะถ้าหากว่ากรรมมีกําลังเนี่ยสามารถไปปิดอย่างอื่นแล้วให้ผลเองเลยนะครับเพราะฉะนั้น บาปรกรรมที่ทําไว้ก็เหมือนกับศัตรูนั่นเองนะครับถ้ากกลยานธรรมที่เราทําไว้ก็เหมือนกับญาติดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเราจะหาศัตรูให้แก่ตัวเองหรือจะหาญาติให้แก่ตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวจริงๆนะครับแล้วก็เจตนานี้เป็นของของตัวเราจริงๆนะครับจะไปกลบเกลื่อนอ้างว่าทำเพื่อคนนั้นอ้างเพื่อนคนนี้ไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เห็นว่าโอ้สังสารวัตรนี่นะเฉพาะชาตินี้ในะอดีตที่ผ่านมา ขันทั้งหลายที่เป็นอดีตเหล่านั้นก็เป็นขันที่ไม่ได้ปนีตอะไรเลยนะครับเป็นขันที่สามมากนะเลวมากในบรรดาขันทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ขันเหล่านั้นก็รับผลของบาปทั้งมหศาศาลนะครับทั้งนะถือ ก, กรรมบทเนี่ยนะครับเราก็สังเกตดูเออข้อที่เราไม่ล่วงคือข้อที่เราไม่มีโอกาสนะครับนะข้อที่ไม่ล่วงคือข้อที่ไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีอัธยาสายจะให้ร่วงนะครับ ก็เออเพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นพิจารณาเห็นโทษนะครับแล้วพอมาศึกษาพระธรรมคําสอนเหล่านี้แล้วนะระดับนี้แล้วถามว่าออปัจจัยที่จะให้ล่วงละเมิดมีอีกไหมก็มาตรวจสอบดูนะครับว่าเราเห็นคุณค่าของศีลขนาดไหนแล้วก็มาเช็คดูว่าชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับเราเนี่ยมองเห็นศิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในทุกหนทุกแห่งไหมเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเป็นไปกับศิกขาไหมแล้วบุคคลที่เรา เกี่ยวข้องอยู่ในประจำวันเนี่ยนะเขามีสิกขาไหมนะครับเขาเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตนะครับบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นบัณฑิตนะครับวีรกรรมนะต้องมีวีรกรรมเข้ามาต้องเป็นคนกล้ากล้าที่จะจากคนพานนะครับแล้วสู้แสวงหาคนดีนะครับก็ต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็ต้องกล้าจากนะครับถ้าหากว่าผู้ใดที่อ๊ยอ้างโน่อนอ้างนี่นะครับก็ไม่ต้องแล้วนะครับ ผมนี่เป็นโดยอัธยาศัยเรารังเกียจคนที่อ้างมากอ้างจนทําความดีไม่ได้นะครับนะครับอ้างโน่นอ้างนี่จนแทบว่าทำมวินัยก็รักษาไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลส่วนตัวอ้างไม่รู้จะอ้างไปทําอะไรนะครับยังก็ว่าบาปประกา ร, รแล้วไปอ้างกับโยมพบาลได้อย่างนั้นนะอันนี้ภาษารีบุตรท่านว่านะก็ถึงเออนึกถึงคําของภาษารีบุตรเนี่ยนะครับบาปที่ตัวเองทําไว้ไปอ้างกับโยมพบาลสิ นะที่ผมไปรักเนี่ยผมรักเพื่อพ่อเพื่อแม่นะอย่างเงี้ยนะท่านคงไม่ฟังรอกนะครับนะหรือว่าเหมือนกับคนที่ไปปล้นเอาปล้นเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สาลเขาจะฟังไหมเขาจะไม่รับฟ้องไหมนะมันก็บา ป, ประกรรมมันก็ของใครก็ของใครนะครับแล้วเราจะทําบาปทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนอีกนะครับมันก็การระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็กระตุ้นเตือนให้ภาคเพียนนะครับกระตุ้นเตือนให้ภาคเพียนเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสังเวกับวัตถุนะครับทุกในวัตตมูลในอดีตเนี่ยนะการการที่ผู้ที่เลึกชาติได้หรือว่าแม้กระทั่งระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทาให้เห็นวัตถุทุกในอดีตนะครับเออพวกนั้นเนี่ยขันธาตุอายตนะในอดีตนี่นะครับมันเป็นไปกับทุกขนี่ถ้าอนาคตต่อไปนี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากอย่างนี้เท่าไรนักนะครับเพราะนนั้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าพึงหวังไม่น่าปรารถนานะครับนั่นไง เนี่ขนาดผลของบุญนะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับได้ขนาดนี้ในี่ถ้าบาป ท, ที่ทำมันให้ผลเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนนี้แล้วก็ตัวใครตัวใครจริงๆนะครับนะใครจะติดเทอร์โบวิ่งนี้หรือว่าจะนอนแช่อยู่ตรงนั้นก็าตามใจนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะครับมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผาพัน มีกรรมเป็นที้พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเรานั่นแหละครับเป็นทายาตรรับกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะทีนี้เอ่อเมื่อกรรมมันมีผลอย่างนี้นี่แหละครับที่จึงจําเป็นต้องพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะครับเนื่องจากกรรมมีผลเนี่ยปัญหาเราทําทั้งกรรมดําทั้งกรรมขาวมาในชีวิตแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นสุดกรรม กรรมที่ว่านี้คืออริยมรรคกรรมอริยมรรคกรรมก็ต้องบำเพ็ญตามไตรสิกขาะนะครับต้องบำเพ็ญตามาศาสนะ าศาสนาพรหมจรรย์ครับจึงจะบรรลุมรรคกรรมหรือมรรคพรหมจรรย์นอ น, นันตได้ทีนี้าศาสนาพรหมจรรย์ก็ต้องขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิและปัญญาทีนี้ขอบเขตขอบข่ายของศีลเนี่ยแค่ไหนนะครับขอบเขตของขอบข่ายของสมาธิแค่ไหนขอบข่ายของปัญญานี่แค่ไหนก็ต้องมาเรียนว่าอะไรคือศีลศีลมีลักษณะอย่างไรศีลมีกิจอย่างไรมีรสะอย่างไรมีปัจจุ ป, ปัฏานะปทัฏฐานะอย่างไรศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะครับหรือแม้กระทั่งว่า ศีลเนี่ยมีกี่ประเภทถ้าไม่รักษาแล้วมีโทษอย่างไรถ้ารักษาแล้วมีอ น, นิสงส์อย่างไรศีลจะเศร้ามองเพราะอะไรศีลจะพองแผ่วเพราะอะไรเป็นต้นนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจสมาธิหรือปัญญาก็ในยะเดียวกันเพราะศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าไตรสิกขาสิกขาเหล่านี้ศึกษาเพื่อมัคคุปปมจันท ร, ร์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครทําเผื่อใครได้พระองค์ก็ยังบอกว่าพราะองค์คนเด็กเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เรานับถือพระองค์ในฐานะผู้บอกทางเพื่อพ้นจากทุกขเหล่านี้นะครับแต่การภาคเพียนปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่อาศัยพระองค์ผู้เป็นศาสดานะครับชี้แนะถึงเราจะขยันมันเพียนขนาดไหนก็ไม่สามารถปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็คือในฐานะผู้ชี้แนะนะครับถ้าทำคําสอนก็เหมือนกับนี่แหละครับแสงสว่างให้มองเห็นเราก็ต้องภาคเพียนปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนะครับ มันเจตนาต้องไม่ลืมว่ามันเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆนะครับนะบางคนก็โมแต่คอยอ้างโน่นอ้างนี่จนทำความดีไม่ได้นะครับตอนนี้ตั้งกันนี้ไปก็ไม่อ้างใครแล้วนะครับมันเป็นของเฉพาะตัวแล้วนะเฉพาะผมแล้วส่วนตัวตอนนี้จะไม่โทษใครแล้วนะครับถือว่าที่ผ่านมาเราก็ทาด้วยตัวของเราเองนะครับก็สมควรก็ยุติธรรมแล้ว ชีวิตต่อไปในอนาคตเรานั่นแหละเป็นผู้กําหนดเองนะครับพระเจ้าว่าอยู่ที่เจตนาเรานี่แหละนรกสวรรค์ก็อยู่ที่เจตนาเรานี่แหละใครจะเป็นผู้กําหนดให้เรานะครับทีนี้ว่าจะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะต่าจะสูงก็อยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาก็หาได้จากกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมแล้วกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ประพฤติอยู่แต่ละวันเนี่คืออะไรนะครับสิ่งนี้เราต้องถ้าบาปนะต้องจ่ายมันนั่นแหละ ถ้าบุญต้องรับอยงั้นนะนะถ้าบาปต้องจ่ายแน่นอนนะครับถ้าเจตนาเป็นอกุศลต้องจ่ายด้วยอะไรครับถ้าบาปไม่มากนะจ่ายด้วยน้ําตานะถ้าบาปมากๆกว่านั้นก็จ่ายด้วยเนื้อเลือดนะครับแล้วทุกขเวทนาทํามากกว่านั้นก็จ่ายด้วยชีวิตนะครับคือทําให้อายุสั้นถ้าบาปหนักว่านั้นก็ตกนรกไปนะครับดังนั้นก็เจตนาก็มีผลอยู่แล้วต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นบุญนะครับบุญอย่างไรเสียเขาก็ต้องต้อนรับเราเขาต้องเชื้อเชิญเรา แล้วบุญก็อยู่ในใจเรานั่นแหละทําไมจึงไม่ทําจิตให้เป็นบุญละ่ะแล้วก็แนวทางแห่งการเจริญบุญพระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะแยะไปหมดนี่นะครับมีศรธรรมไหมที่จะปฏิบัติตามนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นภัยในโทษและประโลกทั้งหลายเหล่านี้ก็ก็ยากที่จะคุยกันได้เหมือนกันไม่รู้จะเปิดคำภีร์อะไรก่อนนะครับถ้าผู้ที่ไม่เห็นโทษคือโทษของความชั่วทั้งหลายไม่เห็นโทษของภัยในโลกต่อๆไปเป็นต้นนี่ก็ พระตาบีดกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กันสําหรับเขานะครับอันนั้นวิชาที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติได้นะครับถ้าผู้ที่ระลึกชาติได้เป็นแสนกับเป็นห ล, หลายสิบชาติหลายร้อยหลายพันหลายหายมื่นแสนชาตินี่นะครับหรือหลายๆกลับนี่นะผู้ที่ระลึกได้ขนาดนั้นก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระของสังสารวัตรนะครับเพราะว่าในขันทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นก็คือ ชาติพิทุขาชราพิทุกข า, า, า, กขามรณะพิทุกขังนะครับเกี่ยวข้องกมีแต่โสกะปริเทวะทุกขโทมณัสและอุปาญาตมีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่เคยมีในอดีตนะครับแล้วก็มีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่กําลังเป็นไปต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมและผลของกรรมเหล่านี้เนี่ยนะ เมื่อเป็นไปตามเหตุลักษณะเหล่านี้แล้วถามว่าถ้าไม่เบื่อหน่ายก็จมอยู่ในกองวัตถทุกขแห่งต่อไปนะครับก็มีทุกขมีโทษมันเป็นวงจรอัปละลักนะครับเป็นวงจรอุบาทนะครับไอสังสารวัตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกระตาใส่ใสเดี๋ยวก็น้ําตาออกแล้วนะครับเดี๋ยนะตรงไหนก็ดูดีๆก็เหมือนฟันเนี่ยดูมันจะแข็งแรงหน่อยเดี๋ยวก็ถอนอีกแล้วย่งเงเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เจ็บนู่นนะนะผิวหนังเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อยู่นั่นแหะครับมันไม่ม้วนเลย ใครขยันอาบน้ามาอยู่ต่อเตก็ อ, ต อ, อ่านประตไตรปิกน่ยครับอีกประการหนึ่งนะครับภิกษุยอมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันดีมีผิวพั น, พนสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจติเตียนพระริยเจ้านะครับด่าพระรยะเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตนะครับคุณงามความดีทางกายนะวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิธิยึดถือการกระทาด้วยอำนาจสัมมาทิธิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซ้ได้ดีตกยาก ด้วยที่พระจักษุอันบริรสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีเธอได้บรรลุวิชาที่สองนี้กำจัดอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาท ม, ม, มีความเพียรมีความเพียรมีใจเนี่ยนะครับเด็ดเดียวส่งไปอยู่นะครับส่งตนไปนะครับ เพราะนั้นพวงนี้ก็ต้องภาคเพียรความพยายามจริงๆนะครับดังนั้นการภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวมากนะครับจึงจะทําได้าการที่จะได้บรรลุวิชาที่1กับวิชาที่สองเนี่ยเรียกว่าวิชาเรียกว่าบุเพนิวาสานิสติยานแล้วก็จุตูปปาตยานเนี่ยวิชาสอวิชานี้ยังไม่ต้องบรรลุอสวรรค์ญาญานก็ได้แล้ว ก็เ ป, ปเป็นวิชาที่เป็นบาตให้บรรลุอาสวัคยยานนะครับว่าอาสวัคยยานนั้นเป็นวิชาที่แทงตลอดอริยสัจนะเป็นวิชาที่บรรลุอริยสัจนะครับมันอวิชอาสวัคยยานนี้ก็อาศัยจุตูปปาตยานอาศัยปุเพนิวาสานุสติยานนี่แหละเป็นอุปนิสัยให้นะครับให้ให้เห็นถึงความไม่มีสาระของขันธาริยตนะที่เป็นอดีตนะครับ ใหเห็นความไม่มีสาระของปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไปนะครับจึงภาคเพียรเพื่อทําที่สุดแห่งวัตถทุกเหล่านี้โอเคครับออไออาสวะขยะยานนี่แม้พระโสดาบันนี่ก็นับพระด้วยนะใช่ไหมก็นับตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นนะครับเพราะว่าพระโสดาบันก็สิ้นอาสวะเป็นบางส่วนนะครับพระสกทาคามีก็สิ้นอาสวะบางส่วนภาคอาณาคามีก็สิ้นไปอีกส่วนหนึ่ง ถ้าหันสิ้นอาสวะทั้งหมดโดยบริบูรณ์าะถ้าจะเอาแบบสูงสุดก็ต้องอรหัตผลนะครับจึงสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงแต่ก็เริ่มสิ้นไปตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับพระเทวทัพนี่ได้วิชาสองวิชานี่ไหมครับอุเพนิวาานุสติยานจุจุปปัตยานก็ดูตามลักษณะแล้วน่าได้น่าจะได้นะครับอริยาน ถ้าบอกว่าสองยานเบื้องต้นเนี่ยเป็นบาทของอาสวะคย า, ยานอันนี้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยจเจริญสมถะควบคู่ไปกับกับวิปัสสนาใช่ไหมครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยอภิญญาห้าเนี่ยมันได้กันแม้บุคคลภายนอกพระศาสนาก็ก็ได้เนี่ยฮะิญญาห้านะพระเทวราชก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้อาสวะคย า, ยา น, นยคือมันก็อยู่ที่ว่าสำคัญว่ามีอะไรเป็นสาระนะครับ อย่างบางคนก็ถือว่ามีความรู้เท่านี้ก็พอแล้วนะครับกถ้าพูดสัมนวนเราๆเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่เรียนปริยัตดีระดับหนึ่งแล้วก็พอแล้วรู้ประทำคําสอนก็พอแล้วการที่จะต้องไปภาคเพียนปฏิบัติโยนิโสมนัสิการก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกมีโอกาสได้เรียนได้จบนี้ก็ดีแล้วนะครับก็โดยทั่วๆไปส่วนหนึ่งก็จะคิดอยู่แค่เนี้นะไม่ค่อยเอาความรู้ที่มีอยู่ไปภาคเพียนปฏิบัติ ต, ตามนั้นให้ให้สมควรแก่ทําอะไรนะครับ ยกไปก็เหมือนกับเราเรียนนักธรรมเรียนอภิธรรมเรียนป ร, เริเยธรรมเนี่ยนะครับก็พอมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วละ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปส่งเสริมความรู้เรานั้นเลยนะครับก็อาศัยแค่ประกาศนียบัตรที่มีอยู่ไปที่ไหนก็เอาแต่นี่แหละไปนะครับจบนักธรรมชั้นนั้นจบอภิธรรมชั้นนั้นจบป ร, เริเยธรรมชั้นนี้นะครับก็อาศัยดีไม่ดีก็เป็นบาปแห่งลาบสการะไปนะครับเป็นบาปแห่งการขอยศขอตําแหน่งไปแทนที่จะเอาพื้นฐานบาตฐานเหล่านี้มาภาาเพียน ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนให้เห็นชัดแจ้งขึ้นนะครับก็เนื่องจากสันโดษด้วยคุณที่มีอยู่นั่นเองนะครับอาศัยความเป็นประหูสูตรไม่มากนักก็พอบางคนก็อาจจะทําให้ได้ฌานฌานที่หนึ่งก็พอนะครับบางคนก็ได้จตุทชานก็พอบางคนได้อภิญญาระดับหนึ่งก็พอเหมือนพระเทวทัตก็ยินดีในคุณเบื้องต่ำคือยินดีเฉพาะอภิญญาห้าและก็สมบัติแปดเท่านั้นนะครับ ไม่ยินดีในคุณเบื้องสูงคือโสดาปฏิมักเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็อาศัยปราถนารามกอาศัยมิดชั่วนะครับอาศัยที่ยินดีในคุณที่มีอยู่เท่านั้นไม่ภาคเพียนเพื่อคุณอันสูงต่อไปก็เลยทำให้ตกต่ำนะครับตอนหลังก็ถึงกระทำบาป ท, ทำกรรมอย่างอื่นอีกมากมายมหาศาลคือความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนแล้วแต่ใครจะรู้นะนะอย่างเช่น การรู้เรื่องสัตว์เดรัจฉานดีระดับหนึ่งแทนที่จะกลัวเรื่องสัตว์เดรัจฉานก็กลับเพลิดเพลินไปในเรื่องสัตว์เดรัจฉานไปนะครับนั่นแหละถ้าหากว่ารู้เรื่องไส้เดือนเรื่องมดเรื่องมแมลงไประดับหนึ่งก็ไม่ได้นึกว่าเห็นโทษภัยอะไรที่ไม่ดีก็ดูเป็นเรื่องของสนุกสงสนานไปนะครับอย่างพวกทําสารคดีพวกจิ้งเรดพวกสัตว์ทั้งหลายและเนี่ยนะเขาก็มีความสุขกับการชื่นชมในการจับตาดูของสิ่งเหล่านั้นไปนะครับนะครับชอบมันนะ นะในเรื่องของการเห็นสัตว์ที่กำลังจุติและกำลังปฏิสนธิเนี่ยนะครับว่าหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะคือตามกายกรรมตามวาจีกรรมตามมโนกรรมนั่นแหละครับอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยก็เนื่องจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบาสนะสุขติโลกสวรรค์มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็เนื่องจากกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเพราะฉะนั้นกายวาจาใจานี่แหละครับ นรกสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นนะครับนรกหรือสวรรค์ก็อยู่ตรงกายวาจาใจในขณะนี้นะครับเป็นตัวกาหนดชีวิตในพบหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ประมาทหรือว่าปล่อยกายกรรมปล่อยวจีกกรรมปล่อยมโนกรรมเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเป็นไปกับบาปอากุศลทั้งหลาย พบหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็หน้าเห็นใจแล้วนะครับว่าไปไม่ดีอย่างแน่นอ น, นทุกคตินะทุกคติก็คือเป็นชื่อของนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เลระฉานนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสุคขขตินะครับก็ด้วยอำนาจกายสุจริตรศวจีสุจริตและมโนสุจิเรศผู้ที่มีอภิญญานีนี่นะครับก็จะเห็นชัดเจนถึงถึงกรรมและผลของกรรมเหล่านี้นะครับเหมือนกับนักกฎหมายทั้งหลายที่รู้ว่า เข้าคุกเข้าตารางนี้เพราะคดีอะไรนะครับแล้วก็จะอยู่ในนั้นได้กี่ปีแล้วจึงจะออกได้นะครับถ้าจะออกได้พราะประกันยังไงอะไรยังไงนะถ้าถ้าพูดแบบกระบวนการของกฎหมายทั้งหลายแล้วนะครับก็เหมือนกับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะหรือว่าเออนี่นะข้ากรรมลักษณะนี้เป็นเหตุให้ไปตกนรกแล้วก็สามารถอย่างรู้ว่าจะอยู่ในนรกได้กี่ปีและจะพ้นมาจากนรกได้อย่างไรนะครับเนื่องจากเข้าใจในกรรมและผลของกรรมเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับ